สถานีวิทยุถ้าทําไปแล้วก็เกิดประโยชน์อย่างมากหลวงพ่อว่านะสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขององค์หลวงตาเพราะว่าในวัดของหลวงพ่อเนี่ยรับได้แต่ดึกสงัดเพราะงั้นจะประมาณเที่ยงคืนแล้วไปนะ่ะจะเปิดได้ยินเสียงองค์หลวงตาแสดงธรรมพร้อมกับครูบาอาจารย์ที่เขาเปิดในในสถานีที่วัดป่าบ้านตาดพอกลางวันรู้สึกว่าไม่ได้รับรับไม่ได้พอเสียงคืนอื่น ลบกวนหมดเปิดเท่าไรก็ไม่ได้ยินถ้าอยู่ในรถพอได้ยินอยู่เพราะเครื่องรถนี่จะดีกว่าวิทยุของหลวงพ่อเหมือนน่ะเสียงหลวงพ่อนี่อูอีอูอหมดเลยถ้าหากกลางวันแต่พอตกกลางคืนดึกสงัดแล้วก็เสียงลงตาเนี่เสียงดังฟังชัดเพราะฉนั้นหลวงพ่อเองก็คิดว่าน่าจะเกิดสถานีวิทยุขึ้นถ้าเป็นไปได้กําลังไปชี้จุดสถานที่เมื่อวาน แต่หลวงพ่อก็คงจะไม่ทําสูงหรอกทําเสาไม่สูงเพราะว่าอยู่ที่เนินสูงอยู่แล้วเครื่องทรงก็ให้ทรงขนาดสังคมนายุงน้ำสมสุวรรณครูหาแถวๆนี้แหละที่มันอยู่ในหุบเขาเนี่ยเพราะว่าหุบเขาภูพานเนี่ยจากบ้านผื้มาเน่ยเป็นภูผานมาจากน้องบัวลําพูนมันเป็นภูเขากางกั้นอยู่แต่พวกเราอยู่ในหุบเขาอีกหุบหนึ่งเหมือนกันท่าน เพราะนั้นอยากจะให้พี่น้องศรัทธาญาติโยมได้ยินได้ฟังธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราได้ฟังแต่เสียงร้องรําทําเพลงสนุกสนานเพิดเพลินโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างอื่นแต่ที่จะได้ฟังธรรมะท ำ, ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหาฟังได้ยากถ้าจะได้ฟังธรรมเทศนากระนุนลงวันสั่นขาไปหาฟังจากวัดนู้นวัดนี้พอไปท่านก็บริเทศให้ฟังอีกต่างหาก เพระนั้นพวกเรานี่ขาดการได้ยินได้ฟังหลวงพ่อว่านะคนขาดการได้ยินได้ฟังแล้วจ ะ, ฉะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ไม่มีทางเพราะการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญมากสุตธมย ป, ญญปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟัง่ยเพราะพุทธเจ้าท่านบอกไว้แล้วทั้ง 2,000 กว่าปีมาแล้วสุดตรมยปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังกินตรรมยปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาการไข่ควรทบทวนเหตุและผล ที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการทําจิตให้สงบถ้าคนจิตฟุ้งซ่านวุ่นวายแล้วจะมาพิจารณาเป็นไปไม่ได้เองต้องทําจิตให้นิ่งต้องทําจิตให้สงบซะก่อนจึงค่อยไตรตรองเหตุและผลอันนั้นหรอภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาซะก่อนทําจิตให้สงบซะก่อนจึงค่อยนํามาพิจารณานั่นแหะสรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังซะก่อนจึงจะทํา สิ่งเหล่านั้นได้ถ้าหาว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังซะเลยธรรมะเป็นยังไงศีลธรรมจริยธรรมเป็นยังไงเพ้อเ<ๆ>ผอพู้ที่อธิบายศีลธรรมจริยธรรมไม่ฟังก็เลยเบื่อขี้หน้ากระทั่งผู้อธิบายให้ฟังอีกต่างหากเพอได้ยินเสียงพระเทศเท่านั้นแหะปิดหูปิดตายอีกต่างหากเพราะเหตุไรเพราะว่าเราไม่เข้าใจถ้าเราเข้าใจในฟังในการฟังแล้วเราจะพยายามฟังด้วยดี เออเพราะว่าพิธีชีวิตหรือธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ชี้นาชีวิตของคนคนเราจะไปได้ดีหรือจะไปทางดีหรือทางชั่วการจะอยู่ร่วมกันจะประสบความสุขความสบายใจนี่ยเพราะอะไรถ้าหาว่าขาดธรรมะขาดกฎเกณฑ์ขาดศีลขาดธรรมขาดกฎหมายบ้านเมืองเข้ามาแล้วเหมือนกับสัตว์ป่าเออสัตว์ป่าคือหมูนะ่ะที่ลุงพ่อเลี้ยงหมูป่าตัวไหนใหญ่ตัวนั้น เข้าไปในเลี้ยงกองมันแล้วกัทั้งที่กองมันมันมกใหญ่พราเลวราลา้ายตัวไหนมากินก็ยังได้ฮะแต่ตัวนี้ไม่ให้กินไม่งั้นอ่ะเอ๊ะมันหวงอะไล่กัดตัวอื่นตัวเองกินอิ่มจนเทาะลากท้องมาแล้วก็ยังค่อยเดินออกไปยังตัวอื่นยังค่อยลุ่มเข้ามากินนี่แหละถ้าว่าพวกเราไม่มีกฎหมายบ้านเมืองไม่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมมันก็ไม่แพ้หมูป่าเหมือนกันนะเอเพราะเหตุไรเพราะว่าตัวไหนมีอำนาจตัวนั้นก็ต้อง กินก่อนอแล้วก็ห่วงหมูไม่ให้หมูกินทั้งที่กองอาหารมักใหญ่บ่เลอะบ่ละแต่ถ้าหากว่ามีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมต้องแบ่งกันทีนี่รู้จักแบ่งรู้จักแบ่งปันผู้ควรจะเข้ามารับกินกันยังไงใช้จ่ายกันยังไงแบ่งกันทั่วถึงอันนี้แปลว่าในยุคมีศีลธรรมศีลธรรมปกครองเพราะนั้นถ้าจะว่าไปแล้วคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเหล่านั้น จะเกิดขึ้นมาได้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอย่างหลวงพ่อได้กล่าวเบื้องตน้นแต่กฎหมายบ้านเมืองถึงจะเจ้าจบฟังหรือไม่ฟังก็ตามถ้าเจ้าทําผิดเขาก็จับเข้าคุกตลอดไปแต่ทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่ท่านไม่ได้จับเข้าคุกกว่าง้นเถอะมีแต่ว่าแนะนำว่ามันไม่ถูกนะการทําอย่างนี้มันเดือดร้อนตนเองผู้อื่นนะต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาถ้าว่าเราทําไม่ถูก มันเดือดร้อนคนอื่นเขาเขาก็ทุกใจถ้าเมื่อเขามาทําให้แก่เราละ่ะอเราทุกใจไหมเมื่อเขามาเหยียบย่ําทําลายเราเราก็ต้องว่าทุกใจเหยียบย่ําทําลายยังไงมาป่นมาจี้มาคดมากงมาลักมาขโมยสิ่งของของเราเนี่ยเราพอใจไหมเราก็าไม่พอใจในเมื่อเราไปทําให้แก่เขาล่ะเขาพอใจไหมเขาไม่พอใจนี่แหละศีลธรรมจริยธรรมอไม่ต้องไม่ได้อยู่อื่นไกล อยู่พวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นหลักธรรมะหรือว่าสถานีวิทยุที่หลวงพ่อคิดหรือว่าหลวงตาทำขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อประกาศสิ่งเหล่านี้แหละประกาศทําให้แก่พวกเราได้ศึกษาให้ได้ยินได้ฟังคนมีธรรมะทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วนั่นแหละความสงบพรมเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าว่าคนขาดธรรมะมากๆไปที่ไหนก็ย่องไปที่ไหนก็มีแต่ขวากแต่น้ำไม่ตึแต่แตปืนผาหน้าไม้พูดอะไร ออกมาก็มีแต่หมัดมีแต่มวยพวกเราว่าเป็นยังไงเอจะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขได้ที่ไหนถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าวัฒธรรมะเปิดประกาศผู้มีอุปนิสัยก็มีในเมื่อผัวได้ยินได้ฟังแล้วก็อธิบายให้หมู่เพื่อนฟังได้อีกปากต่อปากคําต่อคำํำธรรมะนี่ถ้ามันบางคนก็ว่าหลวงพ่อเองก็ได้ยินโอ้ธรรมะมันเฟอ้อเกินไปอยู่ที่ไหนก็ได้ยินหมดเปิดที่ไหนก็ได้ยินหมด เดยธรรมะอะไเป็นของเฟอร์ไปแต่ตามจริงถ้าจะพูดอย่างนั้นก็ถูกถ้าของดีแล้วมันอยู่ที่ไหนมันก็ดีหมดนั่นแนหะถ้าใครนําออกไปประพฤติปฏิบัตินะ่ถ้าของของเร็วของชั่วแล้วอยู่ที่ไหนเฟอร์อะไรก็ยิ่งเฟอร์มากเพราะงั้นแต่ยิ่งเร็วมากเพราะงั้นอันเร็วมากก็ดีมากเลยพวกเราต้องการอะไรเราต้องการดีมากไม่ใช่เหรอถ้าดีมากแบมีธรรมะได้ยินพ่อแม่ได้ยินกันมาเออหลวงตาเนี่พูดถูกว่ะ ท่านสอนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะให้เคารพสิทธิ์กันนะให้มีผู้น้อยผู้ใหญ่นะเป็นผู้เท่าผู้แก่อย่าไปบ่นไปว่ามากเกินไปนะให้ดูกิเลสภายในใจของตัวเองนะโลภโกรธหลงมันเป็นยังไงเราก็จะได้นำทำของลงตามมาเผยแผ่ขยายผลให้แก่ลูกแก่หลานฟังคนนั้นก็ได้ธรรมะคนนี้ก็ได้ข้อคิดผลที่สุดก็เกา ว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนซึ่งกันและกันความสงบพรมเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในชุมชนหลวงพ่อว่านะเพราะอาศัยการได้ยินได้ฟังไนอะ้เพราะนั้นหลวงพ่อเองก็เลยอยากจะทําจุดนีนะ้ในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่าให้ทําเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงคือว่าการให้ทําเป็นทานคือให้แสงสว่างทางจิตใจให้แนวความคิดให้เป็นสัมมาทิฐิเนี่ยท่านว่า ยิ่งกว่าการให้ข้าวน้ําโภชนาอาหารแต่หลวงพ่อก็พระพุทธเจ้าท่านตัดอย่างนั้นถ้าว่าคนมีสัมมาทิฏฐิแล้วเห็นถูกทางแล้วความสเสือเผือแพงมันเป็นไปเองเหมือนกันแต่ว่าถึงยังไงก็ตามถ้าว่าคนหิวข้าวนะตาเหลือตานั้นอยู่หิวข้าวหิวน้ํามาเราจะไปเทศธํามะให้เขาฟังเขาก็คงจะไม่เอาเหมือนกันเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ําให้อิ่มสะกอนนะ ยังคอยพูดธรรมะให้ฟังมันยังเข้าลึกซึ้งนะอันนี้ก็มันก็ไปด้วยกันปัจจัยสี่นะข้าวน้ําโภชนาอาหารและหลักธรรมะสรุปแล้วก็คืออาหารกายอาหารใจเราจะไปหลีกลี่หนีทั้งสองอย่างไม่ได้อาหารกายก็คือปัจจัยสี่อาหารบิณฑบาตเสนาสนะที่อยู่อาศัยผ้านุ่งหม่มยาแก้โรคภัยไข้เจ็บทั้งสีอย่าง แต่เราจะเป็นเน้นหนักแต่ปัจจัยสี่อย่างเดียวน ะ, ะกินข้าวอิม่มนอนหลับมีผ้านุ่งห่ม อ, อยู่ห้องแอร์อย่างดีแต่ทางจิตใจเราไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้คิดไว้ก่อนว่าอีกสักวันหนึ่งน ะ, ะถึงจะอยู่ดีมีสุขถึงขนาดไหนก็เธอนะพยามัจยุราชตาของเขาจ้องขม็งอยู่กับเราอยู่นะเดี๋ยวนี้จ้องขม็งอยู่อีกสักวันหนึ่งน ะ, ะเราจะต้องถึงจุดจบนะถึงจะมีความสุขขนาดไหนก็เถอ มลณาภัยนะั่นน่ะจะเป็นความทุกข์ที่สุดในชีวิตของเราอันนี้ก็คือเราก็ไม่ไว้ใจในชีวิตของเราเหมือนกันท่านเพราะว่าเราดูการเป็นอยู่ของเราแล้วถึงเราจะสมบูรณ์ด้วยปัจจัย4ี่ขนาดไหนแต่กเราก็ไม่ไว้ใจในชีวิตและทรัพย์สินของเราเหมือนกันอีกสักวันหนึ่งเราก็ต้องแบ่มือเหมือนกันจะต้องลาโลกเอาอะไรไปด้วยไม่ได้สักอย่างปล่อยทิ้งทั้งหมดอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็น อ, อ, อย่างเศรษฐีมหาเศรษฐีเมืองนอกเมืองนาเมืองไทยเมืองอุดรของเราก็เถอบนะแต่ก่อนเขาก็วิ่งเต้นคว้นควายหาเงินคําทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลมันกี่รุ่นกี่ยุคมาแล้วแต่พวกเราก็คงจะย่างนั้นละเอไม่แพ้กันเพมั้งนั้นแต่อีกสักวันหนึ่งเราก็ต้องแบมือเหมือนกับพวกท่านเหล่านั้นเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปออกจากร่างนี้ไปเราควรจะเตรียมพร้อมเอาไว้เหมือนกันนะจะเป็นผู้ไม่ประมาทอาหารกายส่วนหนึ่ง เราก็าไม่ขาดตกไม่ให้ขาดตกบกพร่องแต่สวนอาหารใจเราก็จะให้ขาดตกบกพร่องอาหารใจกือจริงนะนี่ที่หลวงพ่อได้พูดนะสุตตามิยะปัญญาต้องศึกษาพอศึกษาแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายว่าจาใจของเรานั่นแหละใจของเราเมื่อได้รับธรรมะเข้าสู่จิตใจแล้วใจอิ่มใจเบิกบานใจมีความสุขใจพ้นจากทุกในวัฏฏะสงสารใจไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะ นี่แหละถ้าใจบริสุทธิ์อย่างนั้นแล้วนั่นแหละความสุขวอรมาสุขก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อเองให้แนวความคิดให้ข้อคิดประจำวันสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายสรุปแล้วคื อ, คอให้ตั้งอยู่ด้วยความในความไม่ประมาทนะให้เตรียมพร้อมมาอยู่เสมอถึงจะเลี้ยงร่างกายอิม่มหมีพีมันสมบูรณ์ขนาดไหนแก่เจ็บตายก็ยังพยามจัจจุราช ตาจ้องขมิง้งดูเราอยู่ตลอดเวลาพวกนั้นพวกเราควรจะเอาอาหารเข้าสู่จิตใจของเราคือธรรมะคุณธรรมศีลธรรมจ ร, รยิยธรรมเข้าสู่จิตใจเมื่อจิตใจมีธรรมะแล้วนั่นแหละเมื่อล้มหายตายจากจากชาตินี้ไปพวกเราก็จะไปสบแต่ความสุขความเย็นใจตายแล้วไม่สูญสรุปแล้วในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบอกอย่างนั้นตรัสอย่างนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกกล่าวอย่างนั้น ท่านได้ศึกษามาแล้วท่านได้ค้นคว้าดูแล้วท่านได้ปฏิบัติดูแล้วท่านได้นั่งภาวนาทําจิตให้สงบดูแล้วรู้ได้แก่ตัวผู้ปฏิบัติเองร่างกายตายแตกแน่นอนไม่ไม่เป็นอย่างอื่นแต่ศูนจิตใจนั้นไม่ตายนะคือนามาทำตัวเนี้ยตัวนึกคิดยไม่ตายาไปเกิดปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆได้ที่พระพุทธเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเไม่ใช่ร่างกายพระพุทธเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้านะ ใจของพระพุทธเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าใจรู้แจ้งเห็นจริงใจเกิดความเบื่อหน่ายคลายใจเป็นสยามภูรู้แจงโลกใจของพระพุทธเจ้าจะเป็นพุทธะซะก่อนร่างกายยังค่อยเป็นพระพุทธเจ้าตามพระหันก็เหมือนกันร่างกายของท่านเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายนะแต่ใจของท่านไม่เหมือนเพราะนั้นใจสาคัญพระพุทธเจ้าเน้นถึงใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจตัวนี้ล่ะ จะเกิดในพบภูมิต่างๆใจตัวที่เป็นผู้พาไปเพราะนั้นพวกเราให้ศึกษานะที่จะรู้จริงเรานี้ได้ไม่ใช่ว่านึกเดาเอาคิดเอาคาดคะเนเอาแต่ตาม อ, อันดับแรกก็คือศรัทธาคือความเชื่อไว้ก่อนเชื่อในพระพุทธเจ้าพอเชื่อเสร็จแล้วก็นำมาประพฤติธปฏิบัติในเมื่อประพฤติธปฏิบัติแล้วนั่นละีนี่จะรู้เห็นเป็นไปเรื่อยในแนวความคิด ไปหลับหูหลับตาอยู่ในดงในป่าขนาดไหนไม่รู้ยุงไม่รู้ลิ้นอไม่รู้สัตว์สาลาสิงเอไม่รู้ผีไม่รู้เสืออย่างนั้นเถอไปกลัวผีก็เท่ากันอยู่ในป่าในดงก่อนที่จะได้ธรรมะมาพูดให้แก่พวกเราฟังเนะี่ยเพราะนั้นจะมาแจกสุม 4, ส่มสี่ซุ่มห้าได้เหรอเพราะนั้นต้องพวกเราต้องได้ไปแล้วก็ต้องเก็บรักษาให้ดีนะถ้าไม่อยากฟังถ้าไม่อยากได้อย่าเอานะหลวงพ่อพูดอย่างนั้นเลยอย่าเอาอยาไปอืไปหลวงพ่อไม่ให้ แทนหลวงพ่อให้นี่พ่อให้เอาไปฟังดูทีเอาไปศึกษาดูนะเพื่อจะได้มีแนวความคิดปรับปรุงใจของพวกเราหลงพ่อก็แจกให้ฟังเพราะนั้นแจกด้วยน้ำใจเหนะและ MP3 นี่ไม่ใช่ว่าเราจะก๊อปแถบๆนี่นะนุ่นเอามาจากกรุงเทพนยะบริษัทออนป้านะ่นนะก๊อปอย่างดีเหาือันฟังได้นานถ้าเขาก๊อปธรรมดาเนะี่ยก๊อปปี้ธรรมดาเนะี่ย ไม่นานหรอกเดี๋ยวเดียวก็มันเลือนลางแต่ตัวนั้นถ้าหลวงพ่อก๊อปมาจากบริษัทของเขาเนี่ยจะฟังได้นานถ้าเก็บรักษาดีนะเพราะนั้นถ้า่าผู้ใดได้ไปแล้วก็นําไปไปฟังนะการฟังก็เหมือนกันหลวงพ่อแนะนำํำไม่ใช่ว่าลูกหลานตัวโลเฮโลก็เปิดซีดีของหลวงพ่อฟังไม่ได้เรื่องหรอกอย่าฟังถ้าฟังอย่างนั้นฟังรบกวนหูเขาคนอื่นเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาด่าหลวงพ่ออีกต่างหาก พระพูดอะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นผู้ที่จะฟังเนี่ยเปิดเอ็พสามแล้วก็นั่งอยู่ในที่สงบอยู่ในห้องจะเป็นสองสามคนก็ตามให้นั่งอยู่ในความสงบแล้วฟังนะฟังกันหนึ่งแล้วจบแล้วปิดไว้ก่อนอย่าฟังต่อถ้าฟังต่อแล้วมันสินค้ามันจะเฟอร์มันจะเออมันเฟอว่าไงเถอะฟังฟังแล้วมันเฟอร์เพราะฉะนั้นฟังจบแล้วหยุดไว้ก่อนอคิดไตรตรองดูซะก่อน แล้วต่อไปอีกฟังอีกนะถ้าฟังอย่างนั้นหลวงพ่อมั่นใจเหลือเกินว่าคําพูดของหลวงพ่อใน MP3 นั้นจะเกิดประโยชน์แก่พวกเราผูด้ได้ยินได้ฟังเพราะการศึกษาเนี่ยมันก็ต้องฟังตั้งใจฟังจึงจะรู้เรื่องธรรมะไม่ใช่ของผิวเผินนะไม่ใช่หมอร้องหมอลำหมอร้องหมอลำเออเออเออเออเออไปก็ฟังแล้วก็บจบไปไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้ธรรมะเนี่ยมันต้องลึกซึ้งนะมันต้องเป็น เครื่องนําชีวิตของเราเราจะคิดอย่างไรเราจะกระทาอย่างไรตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนค่ะเพราะฉะนั้นให้พวกเราเมื่อได้ซีดีหลวงพ่อไปแล้วนําไปฟังแล้วก็คิดไตรตรองด้วยเหตุผลจะเกิดประโยชน์หลวงพ่อว่านะหลวงพ่อแจกทั้งแจกทั้งให้ทั้งขู่ด้วยนะเอารับพอนะทีนะีหน้า